ดังนั้นคนได้รู้สิ่งใดก็จ้องเอาสิ่งนั้นมาสอนเรว่าศ า, าสนาศาสนาเป็ว่าคําสอนศาสนาคือตัวเรานเนี่ยแหละตัวทุกคนนั่นแหละเป็นตัวศาสนาแล้วก็สอนก็สอนเข้าหูหูมันมีคนแล้วก็มีตาศาสนาจริงแต่ว่าคําสอนสอนให้เบิ่งเบิ้งให้เห็นหูให้ฟังฟังแล้วเนี่ยจําเอานําไปใส้นําไปปฏิบัติ คนสอนบไม่มีจิสอนแล้วจิไปนิ่งนอนอยู่บ่ไรสอนแต่พวกอื่นโบได้สอนตัวเองกับโแเองเป็นว่าสอนคนอื่นนั่นสอนงานสอนตัวเองสอนยากคุณรวมพิดนั้นเคือจิว่ายกมาเป็นครูเป็นอาจารย์คือเขาบบได้เข้าใจเขาเข้าใจตั้งแต่ว่าไปสอนคนอื่นตัวเขาโบเคยสอนเยอะหลวงพ่อเคยเป็นอย่างไนเห็นคนอื่นทําผิดนี่ ช่วยจับมวาว่าลงตัวเองทําผิดพวกเคยว่าจะเถื่อนจริงๆจังหวะข่วมผิดเป็นครูแต่อย่าทําผิดพวกเรามาปฏิบัติที่นี่มีวิธีทำจังหวะแล้วก็เคลื่อนไหวอ ย, ยู่ตลอดเวลาพวกมีการนิ่งการนั่งนิ่งนั้นเป็นอุปสรรควิธีที่หลบคอหนับใจบิยมือมันเป็นอุปสรรคแก้การปฏิบัติ เดี๋ยวไม่ต้องหนั่งนิง่งทำจังหวะมากๆคนใหม่นี่ต้องทําจังหวะมากๆทำซาซานานๆใจพอดีมันรู้เล็กๆน้อยๆเดี๋ยวรู้เรื่องรูปนามเนี่ยปัตตานีต้องเดินจงกรมให้มากการเดินจมกรมนั่นก็ดีแต่ว่ามันสู้การทําจังหวะไม่ได้คนใหม่การทําจังหวะต้องทํซาซายิ่มนิ่มหรือทํำอ่อนๆนถ้าทําแรง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 บวเด้กกำหนดตัวเองหรือมันเป็นไปเพราะอวิชชาเป็นไปเพราะหัวไม่รู้หัวไม่รู้สึกตัวในปัวญาคือกับจักตัวหมู่มาเปรตใกล้ัวป่วยนี่เหมือนบูรู้สึกแต่มันก็ไปเป็นมาเป็นกินเป็นนอนเป็นซื้อพันเป็นเหมือนกันแต่มันบูรู้สึกในขณะที่มันทํามันพูดมันคิดมันบูรู้สึกมันก็เหตุไปของเหตุนิยมมายุนวัดพอดี ตัวหนึ่งนิ้กักมันแล่นไปเลยทันทีเมันว่ามันไม่รู้สึกตัวมันแต่มันก็รู้รู้นมันวิ่งมันแลนอย่างนะี้คนเราเป็นบุญอะไที่เป็นอย่างนี้นที่ว่าฝึกหัดดัดนิ้วไ่ฝึกหัดดัดแปลงแก้ไขตัวเองบุแม่นผู้ใดยกย่องสิใดจีไปว่าสินั้นบุญเลยบุได้เบิ่งตัวเองการปฏิบัตินั่นจึงว่าอ้ยามฝุกหัดดัดนิ้วไต่ตัวเองฝืนนิ้วไ่ หลวงพ่อเคยว่ากลางวันโบต้องนอนกลางวันโบนอนได้แท้หลวงพอ่อพยายามทําอยู่ตลอดเวลากลางคืนเท่นอนโบต้องคนนอนถ้าโบนอนได้มั น, มนโบได้โบได้พักผอนกลางวันโพนอนเนื้วก็บโบชอบคุยหลวงพ่อเคยไว้ฝันให้อยขโ ม, มกไปปฏิบัติธรรมพร้อมกันเป็นคนชอบพอกันพอไดถึงเวลาก็หมามอมแล้วมาคุยหลวงพ่อหาทางนี้ ไ่อยากพูดไ่อยากคุยเพาะตัวเองมาปฏิบัติธรรมะจะไปเป็นคนชอบพูดชอบคุยมันโมดได้เลยโบได้ทําหน้าที่ธุระของตัวเองที่ตัวเองไปชอบพูดชอบคุยแต่มันคิดไปคุณแลกใจแล้วเฮาโดเห็นในขณะที่เฮาพูดเฮาคุยกันอยู่นนอีกซึ่งแบบโบได้เบิ่งตัวเฮาแล้วเป็นอย่างนี้นว่าความรู้นั้นมันจึงบบปรากฏเกิดขึ้นเพราะควมไม่รู้มันมีอยู่แล้วเนี้ยควมไม่รู้คือ ย, อยัง มันกลัไม่รู้ตัวเราแต่มันรู้อื่นพุ่นว่าอะวิชาไปว่าผมไม่รู้อะไปว่าไม่วิชาไปว่ารู้มันรู้ไปยังอื่นพุ่งมันบม่ได้รู้ตัวเองวิชาไปว่ารู้วิชาเนี่คือรอบตัวของอย่ากล่อยฝากล ะ, ละเลยมันใส่โลคุ่นอื่นให้มันรู้อยู่ที่ตัวของเขานี่เคลื่อนไหวมันรู้เมื่อหลวงพ่อี่ไปแล้วจองตามเพื่อนเราก็บูมา่ะเห็นว่าหลวงพ่อเขาอยากพูดอยากคุยแล้ว เราพอไปย่างเดินมันตากแดบดิค่ณน้าตากแดบผมกเดินอยู่คุณย่างผมก็หมกปูเป็นอาสาณิสัยเราต้องรู้จักคำนึงคำนวณอยู่เสมอการปฏิบัติธรรมเราไปเข้าห้องน้ําห้องส้วมก็เป็นการปฏิบัติธรรมมาฟันเขานี่ก็เป็นการปฏิบัติธรรมะไปส่งน้ําก็เป็นการปฏิบัติให้ว่าทุกอย่างเป็นการปฏิบัติธรรมะนั้น การปฏิบัติธรรมะจริงโบได้กำหนดกฎเกณฑ์สถานที่ใดๆทั้งหมดถ้าหากเขารู้จักวิธีปฏิบัติจริงอันแนวบบรู้จักวิธีในกาเป็นนางอยูมตันณฑ์เทศอยู่ทั้งจังหวัดคิดไปใส่รถลอยอันอันยาบโบรู้สึกวัวรู้น้อยอะไรปมันคิดอย่างเครู้อันนั้นมันคือรู้เรื่องนึงแล้วได้หนึ่งอันเคลื่อนไหวอยู่นี้ให้มันรู้ในแค่นีมันคิดตามันหายใจมัน นึกมันคิดให้มันรู้เท่าทันเหตุการณ์อันนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าก็าเชิงสอนทุกให้กําหนดรู้อันตัวทุกมีตัวเคลื่อนตัวไวเ้เป็นตัวทุกเพื่นสอนให้รู้ทุกอันนี้เนี่ยสมุทัยต้องละมันบวระมันคิดไปอันตัวสมุทัยกับตัวคิดกับแม้อันเดียวกันนั่นแหะเป็นว่าสมุทัยต้องละมักต้องเจริญหรือเจริญก็คือทำนั่นแหละนี่โรดทําให้แก้ง เขาก็รูมาเข้ารูมาเข้าสาวสมเข้าทีเล็กทีน้อยมันก็เลยแจ้งหรือรู้จักก้อนที่จะรู้จักต้องอาศัยปัญญาหรือยานเกิดขึ้นมันมียานเกิดขึ้นตามลําดับตามขั้นตอนของมันนั้นที่หลวงพ่อทําบแมันเสี้ยไปจำเอาจากคําพูดของนั้นคนนี้โบมันก็อพอรู้รู้เพราะจริงว่าบอวาอลคนอื่นวอลคืออย่างที่หลวงพ่อวอลคนอื่นนั้นคนรู้อย่างนั้นก็เอาเรื่องนั้นมาสอน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 ถ้าเห็นถูกต้องก็ดีถ้าเห็นผิดก็ผิดไปเลดโยมมานะมานะคือถือเนื้อถือตัวทิฏฐิไปนคมเห็นสัมมาทิฏฐิเห็นถูกต้องมิฏฐาทิฏฐิเห็นผิดเป็นว่าทิฏฐิคนเดียวนี่เหละยังบุญที่สมัยผูกแต่ให้รู้จักให้รู้จักสิ่งที่ผิดมาแล้วต้องแก้ไขถ้าหา่างมาเราโบกแก้ไขผมหลวงเขาแล้วก็อยู่ที่แล้วอยู่ในถ้ำที่แล้วพอเคยว่าถ้ำเนี่ย มันมืดมิดมานานแสนนานแล้วร้อยกับพันกันแล้วเรีว่ามื่นปีแสนปีมันก็มืดอยู่ในตันทําคนใดอยู่ทําก็อยู่ในตันแล้วโมมีแสงสว่างจักเพลื่อวันนี้เหารู้จักวิธีมีเทียนไขเรื่องนี้ไม่คิดไฟอยู่ในมือขององต่อยไม่คิดไฟน่ะเป็นแสงไฟสมัจุดเทียนไขแล้วเหาอยากที่นี้มนเลยเดี๋ยวไฟมันสว่างขึ้นมาผมมืดเหมือนบได้นีจากเห่าเลยนี่เข้าะไฟลนีึ เอาไปมาเบื้องหน้ามืดมันมาข้างหลังเอาไปมาข้างหลังมืดมันมาข้างหน้าเอาไฟไปข้างใต้มืดมาข้างขวเอาไปมาข้างขวามืดมาข้างใต้มันควมมืดมันลมมันรอบตัวเขาอยู่อันนี้เสมอว่าเหาพิกมือเหารู้บางทีมันบูรูษเขาอยู่นําปุ๋บูรุษอยู่วันนี้เขามีไม่ขี้ไฟมีเตียงไฟใต้ดแดีวออกมาเลยออกจากถ้ามาอยู่นอกถ้ำเมื่อมาอยู่นอกถ้าเหลี๋ยวเขาไปในถ้ำก็เห็นถ้า มืดค ร, รัเขามาโยนนอกที่เราหามองไปไกลๆมันเห็นมันสว่างมันเป็นอะย่งว่าให้รู้จักไอ้แค่ธรรมะธรรมะโบเซป็นโตหนังสือโบเซป็นพัดใจปิดดกหลวงพ่อเข้าใจเองทังนั้นโบเมนวัดว่าอาฬิมิยังคือโตทุกคนนั่นแหละเป็นธรรมะทาดีเขาเอิ้นธรรมะทาซั่วเขาเอิ้นอาธรรมพูดดีเขาเอิ้อพุทธธรรมพูดซื่วกขาว่าเป็นอกุศลคิดดีเขาว่าคิดธรรมะ คิดว่าเขาว่าเป็นอนันตเรียกรรมมเยียม ว, ว่าบาปบุญอันไหนซึ่งทุกอย่างใจพวกนี้มันคิดก่อนพอดีเลือกจะโอมันผิดแล้วเนี่ยมันทําผิดแล้วสมมุติเขาโกดนะโอ้ยโกดแหลมเ น, นมือหน้าที่ที่จะไหนน้อที่บอกโกดต้ตองลักษาต้องพยายามพป็ย่างให้บุคคลคิดกความโกดเนี่ยเป็นบอ่อเกิดของความผิดพลาดทั้งหมดเดยอเรียกว่าความไม่รู้นั่นเนี่ยเป็นความผิดพลาดทั้งหมด เนเอื้นโมหะอาส า, าธรรมนะบ้านผมบ้านหลวงปฎิวัลหลงหลงลืมคขาลืมแล้วมันยิ่มีโบะหล ง, ย, งยังเพเขามาปฏิบัติธรรมะกำลังทิศมือขึ้นข่วมมือลงอย่างใจเอยียงกวก้ม ง, งึยเนี่ยเปนเอ้นหลงอย่นี้บางที่รู้บางที่่รู้เอ้นหลงเดินจงกรมเดินไปเดินมาก็เอื้นหลงหมม่หลงเอาคอไปวางไว้ที่นั้นเอาอไปวางอันนั้นมันหลงนอกตัวเขา หลงนี่คือหลงโตเขาหลงชีวิตจิตใจเขานี่ลืมมันเนี้ยพกคิดถึงจักเพื่อมันพลิกมันเคลื่อนมันไหวนา่นแหลการรู้ซื้อรู้เหมือนสัตว์เล็กทรานิกรู้ว่าเมื่อกี้นี่สัตว์เล็กทรอนมันก็แล่นไปเห็นตัวนึ่งห้องแล้วมันแล่นไปรถนเนี่ยมันรู้อัแต่มันโบรูว่ามันกิแล่นไปหยังมันบริคิดเขานี่ก็คือกันเมื่อมันคิดไปเขาโบรูเขาเคลื่อนเขาไหวเขาโบรูเขามากินข้าว อาบนา้ำเข้าห้องน้ำห้องส้วมเขารู้แก่เขาหักบนเรยดูเพราะยังสอนให้เหากำหนดรู้ให้รู้จริงๆนี่นะหลวงพ่อกล้ายืนยันรับรองคำพูดและวิธีอันนี้เพราะหลวงพ่อทำมาเนี่มันรู้หลวงพ่อเคยทำยังอื่นมาแล้ว <c oughs> ทำมาตั้งแต่อายุสิบอ็ดขวุปีหลวงพ่อทาพุทโทสัมมาอ拉หังนับหนึ่งสองสาม ทองยุบอาณาปานาตติมหลวงม่ได้ใจกลมสงบสงบใจ ส, สงบใจแท้วิธีสงบแบบไม่รู้นี่หลวกพ่อคิดส่อนให้โบกเกินสามเดือนบบเกินสามสิบวันสั้นนะนหลวงพ่อบรรลุพอทําได้นั่งสงบเงียบเป็นบุญยากันเข้าใจได้บุญยาแต่มันก็มีปัญญามันมาคิดเอามันเลยบุรุษขอคิดมันก็เลยพาให้เป็นผมคิดนั่นคิดไปอะ น, นั้นก็คิดเอาซื้อ เปลียนการคาดคิดดนเดาเอาเองนังซุอกะละมาตูดบอกว่าเนี่ย่าเสื้อถืออโดยเขาเล่าลือกันมาย่าเสื้อถือโดยเขาพูดตามกันมาย่าเสื้อถือโดยเหตุเขาทําตามกันมาย่าเสื้อถือโดยว่ามันมีอยู่ในตำราเ ล, าลย่าเสื้อถือที่บุคคลว่าน่าเสื้อถือสิบข้อคนสมบูรณบวให้เสือ้อทั้งมดหลวงพอจะบวชเสื้อไปทั้งหมดืด เสื้อที่บนไหนเสื้อที่บนมันรูที่นี่ศรัทธามันเกิดขึ้นเพรมันรูที่ศรัทธาทีแรกนั่นก็ต้องตั้งใจโบกูดโบกุยนี่ศรัทธาทีแรกเรื่องให้ทานรักษาศีตนี่หลวงพอมีศรัทธาศรัทธาน้ำบ้านน้าเมืองเพื่อ น, อนพ่อแม่ปู่ย่าตายายบอกก่าศรัทธาโตศรัทธาหลงพอจริงๆเนี่ยหลวงพอมาเสื้อกขมั่งิีเพื่อนไหวรู้สึกตัวนี่หลวงพอเกิดศรัทธานี่แต่ยังไ ม, ม่เห็นรูกระสังหลวงพ่อ มันเข้ากับหลักพระพจทธสอนว่าให้มีสติกำหนดรู้ในอิริยาบถ ท, ทั้งสี่ยืนเดินนั่งนอนให้รู้เท้าทันเหตุการณ์นี้ต่อมาก็ให้รู้สึกการเคลื่อนไหวอริยาบถ ย, ย่อยนผู้เยียดเคลื่อนไหวโดยวิธีใดก็ให้รู้เราก็ต้องพยายามทำตามนั้นเมื่อทําตามนั้นได้มันเป็นยังมันก็รู้แท้ๆเพราะของจริงมันมีอยู่ในเฮานี้เด้อย่าไปปกปิดของจริงเอาไว้ เปิดเผยของจริงออกมาเขาว่าเปิดเผยบมเมนต์เกี่ยมือไปจับมโมเมนไปเปิดเผยอย่างนั้นเปิดเผยกระหมายถึงเขาทําให้ตัวเขาเปิดเผยออกมาอย่าให้ผมคิดทุกครอบงำเอาไว้อย่าไปสร้างที่ประหดกลายมันขึ้นมามันต้องสู้อย่างนั้นต้องสู้มาบานะเรื่องนี้เรื่องรูปน้ำ น, นี่หลวงพอ่อโบกเกินห้ามือแล้วปูนานให้ไปในติดมืออย่างนานรูถ้าตั้งใจทําในรูจริงๆ เราต้องถามใครอีกด้วยนีนะหลวงพอ่อหลวงพ่อรู้ธรรมะอย่างนี้หลวงพ่อบทบาทอะไรหมดเลยเดี๋จะทําให้จิตใจเปี้ยนไปนี้ในเกณฑเดือนหนึ่งพูดทาจริงทําจัิงหนเดือนนึ ง, ห, นงหรือสามเดือนนี้แหละลูกในเกณฑ์ทำให้จิตใจเปื่อนแปลงสภาพหนึ่งเรียกว่าขั้นต้นจะทําให้มันถึงที่สุขของพกุกในหลวงพ่อคิดว่าบกเกินสามปีถ้าเป็นคนจริงนะขันคนบูริงสิบปีกับบูรู้เป็น หลวงพ่อเคยทาถ่ายบ่มาบ่มากก็น้อยตรองรู้ถ้าหากยังบนนันเตก็ต้องจับได้ปรเดียวรู้จักเพราะเาเาให้ฟังทุกมือด้ตอนเศร้าตอนเย็นหลวงพ่อเบาเดี๋ยวนี้หลพ่อเคยได้มาวาราะหลวงพ่อก็มีธุระหลวงพ่อที่ว่าตอนทาวัดเศร้าวัดเย็นบ่มีเรื่องหลวงพ่อโบ้เคยมาหลวงพ่อหลงพ่อมีธุระนอนธุระหลวงพ่อต้องนอน พอหลวงพ่อจะมากราบมาไว้ในมูนั้นมนันลําบากว่าคือโอกาสเวลาไว้เมื่อตื่นนี่หลวงพ่อก็ไปเมืองเลยไปเมืองแล้วก็จับมืออย่างที่ได้ทำขึ้นมาหลบงพ่อจั บ, บจมือนี่คือว่าเวลาพอสคอมควรก็ประมาณคูนอนตื่นให้รู้จัก ย, า ง, ยางนั้นก็ต้องตีซี่หรือตีสามตีสองนอนตื่นเดียวกับขอแล้ว เ, เป็นนักปฏิบัติพอนนี้นอนตื่นขึ้นพยายามลุกโลด สร้างจังหวะหันมันนั่งแล้วมันอยากนอนลุกมันยางลงุงหอยทั้งคันนิดัสด้วยวิธีการหลงพอแก้กันตามตบนนอนตื่นถ้านอนตื่นมันเงียมันเคยตัวมันเป็นนิสัยมันเป็นสันดานเพราะคนมันมักนิสัยขี้เกียจอยู่แล้วสันดานขี้เกียจอยู่แล้วกานอนน้อยกินน้อยขุดน้อยกินกัดลดบ่ม่ต้กินตามใจมักอยางไปกินไปบน ผิดเพราะจะในมันได้ใจของผมซัวมันได้ใจของกิเลสคนอื่นกิเลสอันนั้นนะกินมากนอนมากคุยมากคนอื่นกิเลสก็ยังสอนว่าให้กินน้อยนอนน้อยพูดน้อยให้รู้จักเวลานรู้จักการรู้จักเวลาคนนี้โมเมนต์สิว่ารู้จักเตยๆนี่รู้จักให้รู้จักจริงๆรู้ธรรมะหลวงพ่อจริงหรอโบเคยี่ไปถามคนนั้นคนนี้เพราะหลวงพ่อรู้จริงๆ รู้จริงแล้วก็รู้แจ้งน่ยเอิญว yes ่าร yes. ู้แจ้งรู <S <S <S ้จริง uh, รู้แจ้งรู้วิธีอันนี้บุญเปนรู้อื่นไปรู้ตัวเฮาตัวเฮามันมีอันใดนเรู้จักมันมดอันใดรู้จักความมดนั่นก็หมายถึงบุญมันมันรู้ล่วงไปทั้งหมดนรล่วงไปเอิญเอิญว่าเป็ิพัฒนาเกิดขึ้นงานนิปพัฒนางานสิบหกจะมีงาน6กงานอันใดเพิ่นว่าไปอันนั้นก็ทูกนา งานนี้พัชนาจริงๆนั้นหนึ่งรู้ลูกนาสองรูปคนติดรู้คนติดล้ว ก, ก็เลยเลิกพลาดเรื่องโภคาโมฆะโภคานี้ได้และต่อไปกับไปญญงานเกิดขึข้นกัดเลิกพลาดผมยึดมั่นถือมั่นไม่ได้ต่อไปงานเกิขึข้นเกิดรู้จักว่าสิ้นอยู่ใส่คืออันไหนเป็นสิ้ต่อไปก็รู้จักเรื่องสมถะกรมถ า, าต่อไปก็รู้จักเรื่องรำบาตทรทำกรรมบนนรกสวรรค์ เรื่อนี้ผ่านจริงรู้จักเมื่อรู้จังนี่สิก็พร้อมตัวกันลู้เพเดียวหลวงพ่อเคยพูดให้ฟังว่าขันห้าในรวมตัวเขา้งหมดรูปกะรวมเวทนากะรวมสัญญากะรวมสังขารกะรวมวิญญากรรวมรวมตัวกันเข้าอยู่กันหมดกับเร่องนี้เรียกว่าอาการเกิดดับเกิดขึ้นที่นี่ถ้าอันนี้ยัางโบปราคดด้วยอย่างบุญรู้แต่รู้บนหนังสือผมุงบสังเกตรู้ว่า ทำดีทำตัวหล้แก่หลวงพ่ออย่างรู ท, ที่ถูกองค์พระคุ่เมื่อหลวงพ่อมาเป็นเนื้อที่และหลวงพ่อรู้ที่ถูงกงค์พระุณเพราะวันวที่รู้นั่นคือมันมันพร้อมตัวกับพันรู้จากเรว่างขันค้ารวมตัวกันทั้งหมดนียรู้จักพระบริเจ้าตัดผมครั้งเดียวในอันนี้บมไม่ไดไปตัดผมอยู่ที่หัวคนในโบสถ์ตัดผมครั้งเดียวก็หมายถึงสิ่งที่มันเป็นกฎของธรรมศาสตร์มันเข้าสู่สภาวะ รูปนี่เข้าสู่สภาพกจิตใจเข้าสู่สภาพกันอืมอันนี้นะมันโบยงาวมันโบชันมันบบปรากฏขึ้นเันหนเอิ้นเขาไม่ชอบตัดผมครั้งเดียวแต่เขาเข้าใจว่าตัดผมจแท้พุทธโบเมฆมันรู้จักมันจืดมันถอนมันเดีเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์เป็นสิ่งที่เคารพนับถือเป็นสิ่งที่โบโ บ, บเคยมีมาก่อนเรื่องโมนินี่ว่าขาดคิดโบได้เรื่องทำมา มันต้องปฏิบัติให้มันเป็นเมืม่อแมงว่วเป็นเนี่ยอยากจะเข้าใจว่าเจ้าของรูโบแมนมันรู้ซื้อๆรูซื้อๆก็เป็นการคิดเอาที่คิดว่ามันเป็นอย่างนั้นมาตรงคิดอย่างนั้นมันถูกกันนะกันถูกแบบของพระเจ้าเขาอยากไปตำหนีพระเจ้าแต่เขารู้วิธีใดต้องเอาวิธีนั้นมาสอนหลวงพ่อพูดนี่พื่พูดเพืพ่อกุมจริงใจให้เราทุกคนออกไปใส้ได้ใส่ได้จริงๆในชีวิตนี้แหละโบแมนติวา ตายแล้วจึงจะเอาบแมไปคือถ้ำเนี่ยมันมืดมานานแล้วเขาต้องหาวิธีเอาไม่คิดไฟเทียนไขอยู่ในมือเขานี่มีแล้วอุปกรณ์ไม่คิดไฟเทียนไขคือยังคือรููตึกตัวนั่นเลยรู้ตึกตัวน่ะเป็นไม่คิดไฟเทียนไขเทียนไขเขาคือมันคิดเอาลูดเอาพยามจุดสองอย่างนี่นะจุดแล้วก็สว่างขึ้นมาก็ยากนี่จากถ้ำมันโเข้าไปอยู่ในถ้ำถึงที่เข้าไปอยู่ในถ้ากับโบโบให้มันมืดต่อไป ต้องรู้สึกตัวทันทีนี่เป็นไหวก า, าปรปฏิบัติธรรมถ้าหากว่าเขาโบออกจากทําแล้วก็ยืนมืดมิดอยู่นานแสลงตายไ ป, ไปก็จอยู่ทังตืมถ้าเขาออกจากทํามาแล้วก็หมืหมืดขมมืดมืดขมืดแล้วจะเป็นอย่งไรจเป็นอย่างก็เป็ น, นเนี่ยเขาจะไปสงใส่ให้เนื้เนื่องจากมันบน ม, มืดแล้วก็ใส่ได้แล้วก็มียุทุกคนผู้หญิงก็คือการผู้ชายก็คือการพระทรงองค์เด็ก็คือกัน คนสร้างใดสักกันทั้งมดเป็นมัดทุกคนหลวงพ่อรับรองอย่างนีเพราะว่าหลวงพอรู้อย่างนี้บอกเมนว่าเจียวถือศาสนานั้นถือศาสนานนโบแมนคำว่าถือศาสน า, าก็หมายถึงตัวเหวนี่เลยกรเดียวถ้ามีคนแล้วก็ต้องมีศาสนาถ้าบม่มีคนเมื่อใดก็บม่มีศ า, ศานสาศานาเมื่อนั้นจริงหรือว่าคนนี่มันต้องเกิอดอยู่ตลอดเวลามันต้องมีอย่างสีบอว่ายุคใดสมัยใดมันเป็นอย่างสีมีดีมีซั่วคนน่ะ ลักษณะสติปัญญาจะบ่มเหมือนกันบางคนนั้นมีปัญญามากบางคนมีปัญญาน้อยหลวงพอว่าเมื่อก่ำนะนบางคนนะดีก็เขากรรมีบางคนเขาดีกว่าเขากรรมีมันดีคนละแบบกันบางคนมีกําลังบางคนก็มีกําลังบางคนมีปัญญาคือมูทันเรียนหนังสือได้ปริญญามาหนิแล้วส่วนปริญญาหลวงพ่อโบได้หลวงพ่อเขียนหนังสือพรเพลนอ่านหนังสือพระเป็น แต่เมื่อปฏิบัติธรรมะหลวงพ่ออ่านเจนตจตุตลากับตุธรรมเดี๋ยวนี้ก็มาพยามเียนตัวไทยกับมู้นพยายามพูดพูดภาษากลางจริว่าโบคอยคักคอยแนงออกผิดทุกทูกแต่เรื่องวิธีปฏิบัติธรรมะกรรมฐานในหลวงพ่อเทวคันท้าหักหลวงพ่อแพ้กับเจ็บเสมอตัวจริงจรให้แพ้มู่นจนหมด น, นัน่นโบมีหลวงพ่อคิดว่าโบมีเลยเพราะหลวงพอมองเห็นสภาพคําพูดออกมาเลยไครที่พูดยังไงหลวงพ่อสามารถที่จะฟังลูก พูดจริงพูดบมจิงหลวงพ่อลูเมื่อกี้พูดลึกซึ้นขนาดใดหลวงพ่อรููจับบนไดมาพูดหลวงพอ่อลูเพราะหลวงพ่อลูอย่างนั้นจริงๆนี้นะเรื่องเห็นสีแสงพีเทวดานรกสวรรค์อ้อยบอกพุกเป็นพุกเป็นพ่อหลวงพ่อทามาแล้วเรื่องจะไม่เห็นจริงแก้สิ่งที่เห็นนั้นเห็นจริงแก้สิ่งที่เห็นนั้นบุตรเนี่ของจริงมันจีเนี่ของจริงอย่างใดมันล่อกเขาอ่ะหลวงพ่อเคยว่าให้ฟังจิตนี่ ก็กลับได้ไวบุตรมีล้านไขในต น, นเราท่านควรบังคับคนให้จิตหมุนมาในทางข้างดีเพราะปล่อยให้จิตหมุนไปในทางข้างกีทำที่มีก็าจะมีจากนายหายสูนทำที่มีคือยังทำที่นี่ก็บคน ร, รู้สึกคนนี้วันนี่มันหายสูนไปจากเขาทํำทิศไปแล้ว คระยาสมบูรณ์บนสนระียวคมระยำสบูรณ์คือว่าจิมันคิดเขาบ่สม์ะทําบะเนียะทามันคือคุณผู้รู้ติดตัวเข้าครอบงำเข้าคอบงำจิตใมันกระปีนปอกหลอกเขามันลอตัวเขาบเดเาไปเห็นภาพประเดี้ยวไปเห็นได้เห็นจริงเด้บยปรดีฟองเห็นเห็นนั่นบรของจริงมันจะจริงะได้มันลออเขาหลวพอย่างเดินจมกรมยนเห็นเลขติอยู่ฝาเบ้เล้อพองฝามือ อยากให้ม่นเห็นก็หมือนโบเห็นแล้วของมันบนนีของจริงเนี่ยจิตใจมันหลอกหลวงพ่อยังคิดว่าจะไปซื้อเลขคนนี้มันเป็นเรื่องของโบจริงเนี่ยมันหลอกได้คนผู้ใดหมาว่าให้หลวงพ่อฟังโอ้คนนั้นเนี่ยโบเห็นตรงที่หงพ่อรูโล่ก่อเรื่องนีมิตนะคำว่า น, นีมิตที่หลวงพาว่าเนี่ยหมายถึงสิ่งที่สัญญาเรารู้นี่นีมิตเขาจิจับท่านจับเนี่ยเลงไปว่าที่ไปจับอันนั้นอันน้นั่นอันนี้มันจับโล่คือเอาพลิกมือขึ้นนะ่ะรู้สึกตัวนะั่นเป็นนีมิต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 โบลูเทาโบรูฐานโบลูฐานเหตุการณ์ซึ่งเล่านั้นมันก็ลอกเขาวิธีปฏิบติให้เข้าใจคันว่ายกพ่อเคยพูดให้ฟลวงพ่อเอามือเกี่ยวผมผมยาวทอนออกมาหลพอเห็นหลัผกผมตัดผมครั้งเดียวมันจะเป็นอยู่พุนเมื่อทอนออกมาแล้วที่เอาลงหูเขามั็นโบเขา่าเหมือนกับนอ็อตนี่เขาหมาย เ, เกี้ยวออกมาแล้วเอาเล็กส บ, บายหู้มันหุ้เกี่ยว น, อน็อตหุแ้แหวนนอตเข้ากันแล้วก็เข้าอยู่แต่มันบวชจุเข้ากัน เป็นเครื่องดึงรูปเหมือนบนูมีแล้วมันนี่ตาราเขามายกไว้ในอั ญ, ญตนาสิทธองตัวตาหูจมูกเลี้ยกายใจถายนอกภายในตัวอั ญ, ญตนาภายในหกถายนอกหกเขาเป็นอั ญ, ญตนะสิทสองตัวเห็นแล้วก็ยาจะไปรู้ว่าเห็นว่าดีชั่วแต่หูฟังมันจะไปรู้ว่าหูฟังม้วนเพราะเมาเสื่อมมันยังเกี่ยวมันยังควได้ทํำลาย พอไดมูลขาเนี่ยกับมูลเข้าไปแน่นแน่นเข้าไปกับโบมีมูลกลับจักเถื่อมันก็เลยยิ่งมูลก็ยิ่งแน่นที่บันี้กบันทึกเขามามูลกลับมูลกลับก็มันก็ขายตัวออกขายตัวออกวิทยิมันก็อยู่กันโบได้อันนี้แสดงว่าบบต้องพูดถึงอัญชันติสองที่ลวงขอพูนพูดถึงลงจิตใจทีเดียวนี่แหละแม้มันจะพูดไปแต่ก็มารวมอยู่ที่ใจตาเห็นก็ไปรวมที่ใจหูฟังเสียงก็ไปรวมที่ใจดังเฮานี้เดี๋ยวอิจะมูก มันรู้จักว่ามันเหมน็นมันหอมมันก็ไปรวมเพศใจโตจมูกโตตาโตหูเขาเนี่ยมันบ่รู้ดอกมันใจพุ้นมันรู้มันเป็นทางออกของจิตใจเพร่ะ อ, อยังเปียบไปมีจุม่มโพลจุ่มนึ่งมันมีหกหูมีเฮี้ยนอยู่ในหูตัวหนึ่งในหกหูนั่นแล้วจะให้ยังไดยังจะจับเฮี้ยนนั้นได้ปุู๊้บาอาจารย์เคยเล่าให้ฟังหนนะึงเขาก็ต้องอุดมันห้าหูนั่นนะมิจะขุดไป ตามไปอุดห้าหูแล้วมันออกหูเดียวันนลยพอดีมันออกมาเอาคอนนี่เอาอย่างไปจอบอยู่ไปพกอยู่ันพอดีมันออกมาค้อนตีหัวรถอันนี้อันนี้ก็คทรวงเดียวกันยังที่หลวพ่อวานี่เนี่ยเรต้องไปตามมันหกหูเขาไปตามหกหูกับนานได้เถึงบางทีอาจจะบทึกก็ได้มันจะขุดหูบูมีโซก็ได้เป็นอะไรที่นํามาเราให้ฟังมันรวมอยู่บนเดียบพทีิวัาทั้นหดายก็รวมอยู่บนเดียบนี่มั้ย พระใจไปดกทั้งแปดมืดซี่พันพระดมขันสับรลวอยู่ดีมั้งอย่างที่มีคนถามอย่างที่สมาธิสมาธิเนี่ยเราโบรูหลวงพอ่อโบลูจะกคนสมาธิคือคนตั้งใจนั่นเองตั้งใจมัน่นทําการทํางานพูดคิดสมาธิอวันนี้สมธามสมธิจะเป็นนั่งอยู่ให้มันเป็นตัวแข็งนั่นลวงพ่อามาแล้วเรื่องสมาธิตัวแข็งจรงหลวงพ่อก้าได้ยืนยันรับรองสอนได้ไปแนละ้ว ของจริงมันต้องกล้าได้ในขั้นท้ากล้าพอได้ก็สแสดงว่าบ อ, อ่นบทสิที่มาเล่าให้ฟังตอนเตาเมื่อ น, นี้กับเห็นวานสงสมควรแล้วท้ายที่สุดนี้อาตมาหรือผมพร้อมด้วยพระสงฆ์และญาติโยมมานั่งฟังธรรมะอยู่ณสถานที่นี้อาตมาขออ้างอิเอาคุณของพระพุทธเจ้าและคตธรรมคำตั้งสอนขององค์สมเด็จพระตมาส ม, าสมาเดจเจ้าและคุณของพระนันตาสาวกพระตมาส ม, าสมาเดจเจ้ามาเตือนจิตสกิดใจของพวกเรา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 การฟังธรรมทาต้องฟังบ่อยๆฟังเรื่อยๆฟังบ่อยๆฟังเรื่อยๆก็ยังไม่เข้าใจบางคนบางคนก็ฟังครั้งเดียวเข้าใจสองครั้งเข้าใจก็นีบางคนต้องติบครั้งยังไม่เข้าใจก็มีการปฏิบัติธรรมะนั้นจริงไม่เหมือนกันผมเคยพูดให้ฟังเรื่อยๆ การปฏิบัติธรรมนั้ต้องรู้ที่ตัวเองคําว่ารู้สึกการเคลื่อนไหวให้มันรู้จริงๆถ้ามันไม่รู้มันมีความสงสัยมันความสงสัยนั่นก็ทุกข์เหมือนกันคำว่าทุกข์ให้รู้จักทุกข์จริงๆไม่ใช่ทุกเจ็บหัวปวดท้องทุกข์เจ็บแขนเจ็บขาทุกข์อันนั้นมันไม่ใช่เป็นทุกข์ไหนเรียวสัมันเป็นทุกขะเวทนาทุกโศกโสกาทุกให้ลําไพร ท, ทุกในเรียกสัตว์นี่คือมันพุกโตเคลื่อนโตไหวโตวไปโตมาเอียงซ้ายเอียงขวาเป็นตัวทุกทุกต้องรู้ความรู้รู้อยู่กับอันนี้สมุทัยต้องละคือตัวคิดนีนส่วนสมุทัยให้ว่าเป็นตัวคิดนั่นแหละตำลักอยากเข้าไปยิบไปถือเมื่อเข้าไปยึบไปถือมันเป็นพกุกข์อครับ สมุทัยทําให้เกิดเป็นอย่างไรละ่ะมรรคต้องเจริญธรรมะมรรคไม่กำหนดทำผมให้มากเคำว่าเจริญต้องทําให้มากทําไม่่อถอยทําไม่ย่อยอนนิโรธคนไปพ้นไปจากสภาพหรือภาวะทุกข์คนเราเมื่อพ้นไปล้วก็รู้จักถ้ายัางคนไม่ได้ผมยังไม่รู้จักนั้นการ ปฏิบัติวิธีที่ผมพูดง่ายๆไม่ยากแต่สําคัญมันยึดประกาแต่คนอื่นนันจะเป็นหรือไม่เป็นไม่รู้นะครับแต่สาหรับผมผมรู้ตัวผมเป็นทีแรกเมื่อปฏิบัติเมื่อรู้เบื้องต้นผมรู้เรื่องลูกเรื่องน้ําลูกทำน้ำทำลูกโลกน้านามโลก โรคโนามโรคนี้นามโรคนี้มีสอย่างโรคทางเนือหนังโรคทางจิตใจแล้วก็รู้ทุกขังอนิจจังอนัตตาลู่เป็นขั้นเป็นตอนไปนอย่างนี้แล้วก็รู้สมมุติรู้ศาสนารู้พุทธศาสนารู้บาคลู่บุญเมื่อรู้อันนี้กับเดวะภาคต้นจบกันเองนี้แล้วคนมาติดแค่นี้นหละ นึกว่าตัวเองรู้ธรรมะตั้งสูงเ น, งน่ยมันเก่งตอนนี้แหละมันคนเป็นนิพพสนอพอดีรู้อันนี้แล้วมันเกิดความรู้รู้นั้นรู้นี้รู้ไปไม่มีทางทิ้งจบแล้วขอบคุณ ใ, ใจในของรู้ตัวเองเลยไม่ได้ดูผมคิดไม่ได้ดูผมคิดเลยมันคิดก็เลยเข้าไปในคมคิดพอเดี๋ยมันคิดบอกเข้าไปในความคิดเ ล, เลยไปไม่ได้ ก็เลยไปดูจะทำเปนคิดเรีรู้อันนี้เป็นขุมลูกของอวิชชาอวิชชาเปรี้ยไม่รู้แต่เป็นขุมลูกของอวิชชาต้องให้รู้จักจริงๆถ้าไม่รู้จักเรามาติดขมรู้ตัวนี้จริงๆเยมากหฝังแล้วไม่อยากมาติเป็นลูกตัวนี้พอดีเรารู้จักวางรูอันนี้เป็นขุมลู้ที่ไม่รู้รู้อย่างไม่รู้อย่างนี้เราติดรู้อย่างไม่รู้ รู้อย่างผู้รู้ถ้ารู้อย่างผู้รู้พอดีมันคิดมาเราเราไม่ต้องไป่ควคิดเราต้องมาอยู่กับการเคลื่อนไหวพอดีมันคิดปุ๊บเราทมาอยู่ับกาเคลื่อนไหวให้มันอยู่กับการเคลื่อนไหวให้มากทําไปมันจะรู้เป็นทิศมันเห็นมันรู้มันเข้าใจเพราะนนั้นมันรู้เฉยๆมันไม่เห็นบัดนี้มันเห็นมันรู้มันเข้าใจ มันสัมผัสกับผมคิดพอที่เห็นรู้ผมคิดก็เลยเกิดผมรู้ผมเห็นผมเข้าใจสัมผัสมันเป็นอารมณ์รู้จักวัตถุวัตถุนี่หมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างหัตถุปารามะอาการคำว่ปาปรามะกําลังเป็นอยู่มีอยู่เข้าใจอยู่สัมผัสได้อยู่ในขณะนั้น คำว่าอาการก็หมายถึงผลเปลี่ยนแปลงในสภาพจิตใจแต่ร่างกายไม่เปลี่ยนแปลงไมได้รูปดีรูปไม่ดีรูปสวยรูปไม่สวยอะไรมันก็ไปอ ย, ยู่สภาพแต่จิตใจนั้นเปลี่ยนแปลงไมได้เหมือนกับมือที่แหลสว่างขึ้นมานทันตีหนักก็เบาขึ้นมาทันทีติงโคมโง่ก็หายไปโนมตลาดกขึ้นมาแทน พอดีรู้อันนี้แล้วก็เลยเข้าใจโอสัมโมหโลภะเราเข้าใจว่าของสิ่งนี้เป็นของเลวร้ยวายแต่เราไม่เห็นแต่ก่อนเราเกี่ยวพุดได้แับนี้เราไม่เห็นเรามารู้เรามาเข้าใจสัมผัสแนบแนอยู่กับสิ่งเหล่านี้เมื่อเห็นสิ่งเหล่า น, นี้เข้าใจสิ่งเหล่า น, นี้สิ่งเหล่า น, นี้ก็เบาบา ล้วก็ไม่เห็นรู้เข้าใจสัมผัสตัวเวทนาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นพักเป็นตอนไปยังทีบรวมพอดีรู้จบพักนี้แล้วครับแต่ในขณะนั้นมันเร็วที่สุดหรือมันไวที่สุดจิตใจผมเปียนจากสภาพนึ่งไปอยู่สระพนาพนึ่งแล้วค่ายคคือเราข้ามของเข้ามาในวัดร ทีแรกเราอยู่ข้างของบเมืองนั้นะแล้วกระโดดข้ามขอบมาเมงนี้มาอยู่ตรงนี้เนี่ยแป๊บเดียวเท่านั้นเองจิตใจเปลี่ยนอีครั้งที่สองเนี่ยพอดีไม่เห็นกิเลสปันหาอกุกทาที่ตใจเปียนอีพักหนึ่งพักนั้นก็เลยไม่ได้เป็นปีติมากเป็นนิดเดียวเท่านั้นเนะ่ะบัดนี้เกิดปีติขึ้นหมาแต่บัดนี้ตามตำหลับตาลาอบาจายขึนมาคนดี ปีติคือความพอใจความอิมใจมันเกิดวิจกวิจารขึ้นมานพอใจในการกระทำของตัวเองอันนี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าเป็นปีติเป็นจินทะยานเป็นสุนรู้ที่ละเอียดที่สุดเป็นแต่คนมันมันไม่เข้าใจแต่ตัวผมเองผมไม่เข้าใจแต่เมื่อใดยังไม่ เลยไปกายไปพ้นไปยังไม่เข้าใจยังไม่เข้าใจจิ ด, ดน้าหนักตัวของผมผมเคยกำหนดเอาไว้ในขณะนี้จิดแรกน้ำหนักเราร้อยกิโลเดี๋ยวนี้สลับทิ้งไปแล้วหกสิบกิโลอย่างน้อยถ้าพูดในขณะที่ผมเป็นผมว่าผมสลับทิ้งแปดสิบกิโล ผมหนักปกหนักใจผมมืดใจผมแน่นใจอะไรทั้งหมดมันสวาน่างขึ้นมาเบาขึ้นมาเปลี่ยนเลยรู้จักโวมเป็นพระเกิดขึ้นในขณะนั้นขณะนั้นเป็นโยมพระนี่ไม่ได้หมายถึงสิ่งที่สมมตินั้นแต่ก้อนยังไม่รู้เมื่อรู้ลูกนาไม่ยังไม่รู้แต่ดีใจเฉยๆดีใจว่า าศาสนาพุทาาศาสนาบาบุญเรีรู้จักสมมุติให้รู้จักจริงจพอได้มาจากตอนนี้นะครับรู้จักสมมุติบัญญัติอามัติบัญญัติพัท ธ, ธบัญญัติอริยบัญญัติถึงหมารู้จักตอนนี้ติดใจนักตี้ันที่ตอนนี้ก็ยางรู้จักแต่ก้อนไม่รู้เพียงพูดแบบบัญญัติขึ้นมาสมมุติขึ้นมามรู้แต่ว่าย่างไเข้าใจ ไม่สับซึงไม่เกีินแจ้งพอดีจิตใจเราเปลี่ยนไปอย่างนี้ก็เลยเข้าใจสับซึ่งแจ้นแจ้งในดีใครจะพูดเรื่องอะไรก็เข้าใจเข้าใจในคําพูดของตัวเองและเข้าใจคําพูดของคนอื่นที่มาพูดให้เราเข้าใจดีให้เข้าใจปฏิบัติธรรมมันมีอุปสรรค เ, เป็นเป็นขั้วเป็นขั้นเป็นตอนก็นเลยในขณะนั้นรู้จัก จิตใจเปลี่ยนทักนี้เป็นมนะัคจิตใจเปลี่ยนทักนี้เป็นพ้นนันมันเป็นอย่างนั้นเข้าใจต่อมาผมกลับมาเดินขับไปกลับมาในขณะที่ผมเป็นจิตใจเปลี่ยนนี่กำลั ง, งย่างไปย่างเดินเย็นเนมือ่อเมื่อแรงตอนเท้านี้ปลงรู้ปลงรู้นามตอนเย็นมาผมก็รู้เรื่องธรรมะเนี่ยนอนนอนครับ รู้แล้วมานอนประมาณสามตุ่มตัวนอนะครับตื่นประมาณสี่สองหรือสี่สามจนทําทธุระนั่งตั้งจังหวะทำผมเพียนรู้สึกตัวทําผมเคลื่อนไหวรู้สึกตัวให้มันรู้สึกตัวมา ก, มากครับปัญญาแม่มันอยู่กับสิ่งนั้นมากๆเลยพอดีมันเหนื่อยนะครับ อยางทำวัดอยที่เราทำตอนนี้นแต่ผมลุกออกมาเดินทุกคนพอามาเดินมีเทียนไขใต้ไว้มีตะขาบบ้านหลวพอะเล็กที่เข็ดมีเจ้าเรีวเนนเยวตะขาบตัวนี้มันแล่นผ่านหน้ามนผมมาผมเอ๊ะตะขาบมันกัดมันเคยกัดมาทั้งเต็มครั้งหนึ่งแล้วเจ็บมันเลยเอาเทียนไขตามเลยไม่เห็น ไม่เห็นเนี่ยผมขอเชียงไข่ไปวางไว้ที่เดืนย่งางกลับไปกลับมาเลยรู้จักขึ้นสินสินเป็นเครื่องกำจัดสิเิสอย่างหยาสมาธิเป็นเครื่องกำจัดสิเดสอย่างการปัญญาเป็นเครื่องกำจัดสิอย่างละเอียดอยพูดกันในตัวหนังสือในตำลับตำลาอสบายจังเขาเคยรย้จักแต่ก่อนไม่เคยรู้เขาจะว่าศินก็ต้องเป็นสิน สิ้นแปดสิ้นสิบสิ้นสองร้อยี่สิบเจ็ดสิ้นสามร้อยเข้าใจจอยังไงบัดมมเข้าใจตอนเช้าวันมันนี่นะเลยเข้าใจว่าสิ้นหมายถึงปกติสิ้นเต็นเครื่องกำจัดสิเลสอย่างยากกิเลสอย่างยากคือโอสะโมหะโลภ กิเลสตัณหาอุปทานนี้เป็นกิเลสอย่างหนาบัดนี้กิเลสอย่างหยาลดน้อยถอยลงไปแล้วคล้ายๆคือมันจะสะอาดขึ้นมา แ, แต่คนเรามันมีมีกายตัวใจญกายนี่เขาเรียกว่าลูกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่เขาเป็นห่งขันห้าขันห้าลูกขั น, ขนเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขัน ผมรู้อย่างนี้พอเรียรู้อย่างนี้ผมก็รู้ขันซีขึ้นมาขันซีเขาไม่ได้รูปเอาเขารูปนี่เลยคือเอาเวทนาขันสัญญาขันสังขันขันวิญญาณขันอันนี้เป็นขันสีขึ้นมารู้ขันซีขึ้นมาขันขันเดียวผมก็เลยโลขึ้นมานี่ถ้าหากว่ากิเลสเหล่านี้ยังไม่ลดน้อยถอยลงยังไม่เบาลงหรือไม่จืดไม่จางไปสิง่ยังไม่ปราก สินจึงว่าเป็นเครื่องกับแจกจิติอย่างยามสินนั้นคือปรากฏขึ้นมาในใจว่าเป็นปกติเมื่อเรามีปกติอยู่แล้วอะไรมาแตะต้องเรามาสัมผัสเราเราต้องเข้าใจต้องเห็นต้องรู้ผมคิดที่มันคิดวูบขึ้นมาต้องรู้รู้ทันทีรู้แล้วก็บริณฑุหยุดไปแล่เข้าใจพอดีเป็นอย่างนั้นก็นเลยเข้าใจเรื่องสิน สีลสี่แรกผมเข้าใจเราเข้าใจศีลขันสมาที่ขันปัญญาขันขันแปลว่าต่อสู้ขันแปลว่าลองรับขันคือถลุงเข้าไปขันดีถ้ามันดีมันไม่แตกไม่พังนะขันดีเอาไปตักน้ําก็ได้กินเอาไปทําอะไรได้ทั้งนั้นเอาไปตักข้าบาตรให้พระกอดดีเอาไปตักอาหารกินก็ดีเอาไปใช้ตักน้ํำกินก็ได้ ถ้าขันแตกนะถ้าขันแตกเนีย่ยขันไม่ดีตักน้ำก็ไม่ได้จริงเอาไปตักอาหารขารกิงก็ไม่ได้ไปไม่ได้ขันไม่ดีไม่จะเอาเข้าวใส่บาตรเอาไปตักข้าวใส่บาตให้ปาก็มันก็ไม่สวยเข้าใจการปฏิบัติธรรมก็ต้องปฏิบัติให้นดีให้มันเข้าใจจริงๆถ้าเราทําจริงๆมันก็จะรู้จริงถ้าทําไม่จริง มันก็จะลูกของไม่จริงดังนั้นที่ผมพูดให้ฟังพูดตามอารมณ์พูดตามผมเห็นมันไม่ได้ไปตรงกับเอาตำรับตาราแต่มันตรงเข้าเป็นบางบทบางตอนเรื่องตำลับตํารานั้นมันมากแต่ที่ผมพูดเนี่ยพูดเป็นขั้นเป็นตอนไปสําหรับที่มันเกิดขึ้นมาภายในจิตสํานึกขึ้นมาัมนรูลอยพอดีรู้อย่างศีนขันสมาเทศขันปัญญาขันเนี่ย ข่าวนั้นไม่ออกไม่เทีย น, นี้เขาเอาผ้าไปให้เขาฟืนสิบเอ็ดมันเป็นเนื้อผ้าดีเขาฟื้นที่มันดีเอาไปนุ่งก็ได้เอาไปห่มนอนก็ได้ปูที่นอนก็ได้ผ้าอเนื้อมันแน่นมันนดีเลยเปรียบเทียบให้ฟังกเลยรู้จักอันนี้ดีแล้วก็เลยรู้จักอธิสิทธิ์สิสขาอธิสิกขาสิขาที่ปัญญาสิขาอันนั้นมันเป็นตำราพูด แต่ความจริงที่มันปรากฏขึ้นมาวัตถินี่ขันสมาธิขันปัญญาขันมันเข้าใจอย่างนั้นพอเรียนรู้อันนี้แล้วก็สมาธิเป็นเครื่องกําจัดกิเลสอย่างกลางเลยรู้จักสมถาะากรรมฐานกับอตรงนี้สมถะกรรมฐานมันสงบดัง น, นั้นที่เราทํามาแล้วมันสงบไปจากนั้นเข้าใจยอมกอล้ายืนยันรับรองการกระทําของตัวเอง แต่คนอื่นน่าจะเป็นอย่างไงไม่รู้ไม่ทราบเรื่องความสงบนี่ผมเคยพูดบ่อยๆแล้วใครต้องการทำได้ไม่เกินสามสิบวันต้องรู้ต้องเข้าใจสมัยที่ยังที่เป็นนั่งให้มันตัวแข็งคือเนี่ยผมทำผมมีวิธีมีเ ท, นทคนิคมีกลไกรู้จักวิธีที่จะนั่งอย่างนั้นให้มันไปเป็นอย่างนั้นมันสงบจริง สมถากรรมฐานเป็นอุบายให้สงบจิตให้สงบใจเท่านั้นเมื่อสงบนั้นมันไม่ใช่สงบมันสงบแบบไม่รู้อยอรู้อย่างไม่รู้อะไรรู้อย่างผูร้รู้รู้อย่างผู้ต้องรู้จริงเหตุที่จริงเข้าใจจริงสมถะกับวิปัสสนามันแยกงกันที่ตร น, นี้มันแม้ใช่สงบอันนั้นอันนั้นมันสงบสมถากรรมฐาน เกิดผมรู้ผมเห็นผมเข้าใจจัาพวกนี้อยู่ในอำนาจของกามคือจัาพวกกรามในกามใครกะรู้ในกามกลามก็เป็นกิเลสแล้วกลามกลามมาสภะะะะะะาวาะภาวะอวิาสภาวะจัาพวกสมถ า, ากรรมาฐานจึงไปติดสงบอยู่ในอำนาจของกามอยู่ในอำนาจของภพอยู่ในอำนาจของอวิชาจึงไม่รู้เข้าใจจังเมื่อเราเห็นอันนี้เนี่ย อันนั้นก็สลายไปไปเลยรู้จักเออนี่สมถะกรรมฐ า, านมันที่พิเศษนี่มันก็แยกไปข้างนั้นมันสมมุติให้ฟังเหมือนเรากับมีทางไปเส้นเดียวที่แรกไปแย่งกันอีกสองทางมีทางติก่อนไปทางนึงไปข้างหัวทางนึงไปข้างซ้ายที่แรกเราเดินไปในต้นทางที่เป็นทางเดียวกันไปถึงที่นั่นมันเลยแยกเปนตีกนวันนี้แยกไปข้างซ้ายกับตีกัน ถ้าเรามาข้างขัวนี่ก็ถูกต้องก็เลยมาเห็นมารู้มาเข้าใจสัมผัสแน่แน่อย่าังพวกกามยางพวกกามมูลนี่ไม่ใช่ว่ากามโดยที่สัมผัสทางเงนื้อหนังกามนี่มันตกอยู่อานาจของจิตใจในความสกบคาว่ากามอยู่อานาจของกามอยู่ในอานาจของความมีภพมี้าดฉะนั้นจึงว่าอยู่ในอานาจของอวิชชาไม่รู้ คนโดยมากก็เข้าใจว่าตายแล้วต้องไปเป็นอย่างนั้นตายแล้วต้องไปเป็นอย่างนี้จืดซ่าดได้อย่างนั้ น, น, น, นก็ดีเหมือนกันแต่หลวงพ่อไม่ได้ปฏิเสธแต่คนเห็นของคนนั้นเป็นอย่างนั้นแต่เมื่อจะ ก, ก่อนเราเข้าใจอย่างนั้นบัดนี้ทำไมถึงเรามันเข้าใจอย่างนี้นก็เลยเลิกละจากถึ่งนั้นได้ก็เลยมาเข้าใจเรื่องการกระทาดีด้วยกาย ทำดีด้วยวาจาทำดีด้วยใจคือทําดีด้วยกายเอากายเนี่ไปทําดีเอารูปเนี่ยไปทําดีทําดีเท่านั้นเองแต่ว่าคํำพูดด้วยใจอะไรอย่างบี้เด็กิดดังนั้นมันแยกกันมาอย่างนี้คนที่ทําดีด้วยกายเฉยๆติดคําพูดน้ำพูดทั่ว พ, พ, พ, พูดเร็วตามและใจก็เหมือนกันใจก็คิดไปอย่างเดียวไม่ติดไม่รู้อันนี้วันนี้ ถ้าหักสวรออสววคสวรค์มีจะไปเกิดอยู่ทั้นไหนถ้าทําดีด้วยกายถ้าทําดีด้วยคําพูดเนี่ยาาสวรรค์มีจะไปเกิดทั้นไหนถ้าทําดีด้วยใจเฉยๆไเนี่เนี่ยถ้าหักสวรรค์มีจะไปเกิดท่านไหนนี่ผานรู้จักวันนี้ทําดีด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจพร้อมกันอย่างที่เรามาทําี่อยู่นี่นี้กายก็ไม่ทําทุจริตคาพวกก็ไม่ได้พวกโกหก เล็กใจก็ต้องคิดให้รู้สึกตัวเองอยู่เสมอมันเข้าใจยั น, นที่มันพร้อมกันทัน้งหมดมทางศีลเมทางสมาธิมทางปัญญาพร้อมกันหมดแล้วบริบูรณ์แล้วทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนี่ถ้าตายไปสวรรค์มีไปเกิดที่ไหนนิพพานมีไปเกิดที่ไห น, ะะไนนี่จะไปเสวยทุกเสวผลอนันตี่ปีกี่เรียนมัเข้าใจยังไงบัดนี้ก็เลยมาทางตรงกันข้าม บั น, นี้ทําทําบาปทำทั่วด้วยกายแต่คำพูดพูดดีแต่มือเท้าเราทาทั่วถ้าตายลงไปตกนรกไปตกนรกผุ่ไหนนานกี่ปีกี่เดือนกี่วันไม่เข้าใจบันที้กายไม่ทําคําพูดเป็นพูดจะกลมเลวร้ายพูดจะขุ่นขั่วตายลงไปตกนรกผุ่ไหนนานกี่ปีกี่เดือนเข้าใจแล้วบั น, นี่ รูปนี่ก็ไม่ทําคําพูดก็ไม่พูดใจมันคิดใจมันคิดนี่คนไม่เห็นไม่รู้ใจมันคิดชั่วคิดอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าตายลงไปจะไปตกนรกขุมไหนนานกี่ปีกี่เดือนเข้าใจอยไหมบัด น, นี้ทั้งสามอันเนีย่ยกายปรทังทั่วคําพูดกับพูดพชั่วใจก็คิดชั่วรวมกันเข้าเป็นอย่างเดียวกันตายลงไปไปตกนรกขุมไหนนานกี่ปีกี่เดือน มันเข้าใจอย่างนี้มันแยกๆพอได้เห็นอันนี้นะมันตรงกันข้ามเหมือนกับอะไร ต, ต, ต่างๆมันก็เลยลุกไปทั้งหมดเลย อ, อาการเกิดดับเกิดขึ้นให้เห็นให้รู้ให้เข้าใจในสภาพเคยพูดให้ฟังคนที่จะหมดลมหายใจต้องมาติดตรงนี้แต่มันไม่รู้อารมณ์ไม่เห็นไม่รู้ไม่เข้าใจสภาพดูภาวะอาการเกิดดับมาเกิดที่ตรงนี้ นรือจะเอาใจเห็นขมสั้วก่อนก็ได้นรือจะมาเห็นขมดีก่อนก็ได้ถ้าหากอาการเกิดดับได้อย่างไม่ปราปุแล้วไม่หนึไม่เข้าใจคนอื่นอาจจะรู้คนอื่นอาจจะเข้าใจที่หลวงพ่อพูดนี่หลวงพ่อรับรองจากกันว่ามันต้องรู้จริงกรมรู้แจ้งผมรู้จริงอย่ามันต่างเอาร่วงภาวะเลยล้วงภาวะจริงๆคนก็เลยจะมาติดเขาวิปร า, า่ตรงนี้ มันมีควมสูนใจห่อใจไม่มีทุกข์ไม่มีความตับสนไม่มีความเดือดร้อนนี่เป็นอย่าง <_ co> ก็เลยภูมิใจประมาณจากไม่ไม่นานนไม่ถึงห้านาทีประมาณจากสองสามนาทีนี่แหละภูมิใจเดินกลับไปกลับมานี่เหมือนกับเราสูงคนจักเพื่อดีดเพื่ ป, ประมาณจากเม็ดสองเม็ดพุทธมันเบา เดินไปคล้ายๆคือมีคนมารับมาลองไปเงี้น่ะอย่างที่เราเคยพูดกันอย่างที่ว่าพระพุทธเจ้าเดินไปมีเอกาัวมารับเขาทุกเก้าทุกเก้ า, กกามันเป็นไปอย่างนั้นก็เลยรู้เห็นพระพุทธเจ้าทันทีเลยแต่ไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้าที่ในประเทศอินเดียนะพระพุทธเจ้าตัดผมครั้งเดียวออืมันไม่ใช่ตัดผมบนหัวบนศีรษะผมยาวเอามือ เกี่ยวผมแล้วก็ดึงขึ้นมามาดูรากผมเรามันมีขาวขาวสามจุกเอามันนี่เราไปเพาะได้ไหมผมอันนี้ไปปลูกได้ไหมมันไม่ได้พอเข้าดูเดินมาไม่ได้เจ้เหมือนกับเกี่ยวหน่อทิศเตยพูดให้งผมหมายถึงถ้าเราหมุนเข้ามันมีแต่ขันแน่นเสมอไปวันนี้เรามาขายเกี Hue ๊ยวมันออกนิดเดียวขายนิดเดียวมันก็ะลุกเขาจากกันไปทั้งหมดเลยก็เลยมาเข้าใจที่ตรงนี้แ่ะ เมื่อเข้าใจที่ตรงนี้มันไปเป็นวิปลาสอยู่วนิดเดียวมันก็เป็นจิงนะครับเลยสำนึกได้อ้าวนี่มันมันจะลืมอารมณ์มันไม่ได้ทบทวนอารมณ์เหลวงพ่อก็เลยมาทบทวนอารมณ์ตั้งแต่อารมณ์รูปนามนเนี่ยขึ้นไปจนถึงอารมณ์ที่สุดอาการเกิดจากอันนี้ก็เลยควนสองสามครั้งมันเข้าใจมันแนบแนมทราบซึ้งอยู่ภายในจิตใจไม่หลงไม่ลืมจะทําการทํางานพวบคิด ไปที่ไหนก็เหมือนกันมันแนบแน่นกับสิ่งเหล่านั้นเพราะสิ่งเหล่านั้นมันเป็นอย่างนั้นรู้เันทีโยุกคนต้องเป็นหนีไม่พ้นแต่เมื่อยังไม่รู้ไม่เห็นในขณะนี้ก็ตายเอาจวนจำบรมหายใจในแน่นอนที่สุดถ้าเราทำผิดมันก็เป็นทุกข์ถ้าเราทำไม่ผิดมันก็ไม่ทุกข์เรื่องสวรรค์นิพพานตายแล้วนั้นอย่าไปรอคอยมันถ้าไปรอคอยข้างหน้าแล้วอ้อ ไม่มีทางที่จะรู้เรื่องนี้เราต้องทำไม่ต้องรอคอยสวรรค์นิพพานครั้งหน้าเราต้องเอาให้มันได้เดี๋ยวนี้ให้มันเห็นเดี๋ยวนี้มันเข้าใจเดี๋ยวนี้แก้ปัญหาตัวเองให้มันได้เดี๋ยวนี้อย่าให้ทุกข์เกิดขึ้นถ้าทุกข์เกิดขึ้นแล้วนั่นมีหวังผมทุกข์ถ้าทุกข์ไม่เกิดขึ้นแล้วไม่มีทุกข์ไม่มีในขณะนี้มันไม่ทุกข์แล้วมันก็จะไปทุกข์ทไมนั่ น, นลกก็ตามอเวจีก็ตาม คือโกลมพุกนั้นเนี่ยนันลกก็เพียงแต่โกลมเดือดร้อนอะเวจีนี่มันไกลนะ่กพระพุทธเจ้ามาตัดสรุปแต่ละพระองค์นั่น เ, นเมื่อกับแสงฟ้าแลกอย่างนี้ห้อยเนี่ ย, ยแวบเท่านั้นเองเข้าใจอย่างถ้ามันตกไปไกลแล้วเพราะพูดธรรมะให้ฟังก็ไม่เข้าใจเมื่อมาเทียบส่วนกับคนเดียวนี้นี่เนี่ยพูดธรรมะให้ฟังไม่เข้าใจไม่เข้าใจจริงๆเพราะมันไกลโกลมจริง คนจึงเข้าใจธรรมะได้น้อยคนที่พูดสนใจจริงๆอยากรู้อยากเห็นอยากเข้าใจจริงๆจึงจะรู้ถ้าหาว่าอยากรู้ไม่ทำก็ไม่รู้เรื่องมันต้องทำจริงๆถ้าไม่ทำจริงๆไม่รู้ไม่เห็นไม่เป็นไม่มีดังนั้นทุกคนต้องหนีไม่พ้นทุกคนมัต้องตายเนี่ยอาการเกิดดับนี่มหมายถึงสภาพผมตาย พระพุทธเจ้าตัดผมครั้งเดียวก็หมายถึงอนันต์แต่ไม่ใช่เป็นอนันต์มันมีมันมีเทคนิคมันมีกลไกเราก็เลยไปพูดว่าพระพุทธเจ้าเข้าสานอย่างนั้นอย่างนี้เข้าสานตายอย่างนั้นอย่างนี้เราพูดกันเริ่มมีภาษาวกเข้าสานตามอย่างนั้นอย่างนี้มันก็เรื่องอันเดียวกรนี้รู้กันทําอย่างนั้นทําอย่างนี้วิธีเป็นอย่างนั้นอย่างนี้รู้จักกันดังนั้นที่ว่าเป็นคนคนดีเดียวกันอย่างที่เขาพูดกันมา รวมลงหอยสัตว์อยสัตว์ปีวาอย่างไ่งกันได้ทั้งทีบ้านหนก็นเดียวหอยสัตคือหอยสร้างเี่ยหอยง่ายที่สุดรวมลวยร้อยร้อยลอยตีนลอยเท้าของสัตว์ทุกประเทศเป็นรวมอยู่กับลอยคอซางดังนั้นทุกคนเนี่ยจะเป็นเทพธีมีหงงังคอต่างๆเป็นคนยากจนก็ต้องตาย เป็นคนไม่ยากไม่จนพอเสมอกลางๆนี่ก็ต้องตายใชงไหมวะไปรวมอยู่กับคมตายทำแต่เราเคยพูดกันว่าตายเสียคนตายตายให้เป็นสุขเย็นอถ้าตายไม่เป็นก็สุกไหมแต่วรวมจริงมันต้องตายให้เป็นคือให้รู้จักวิธีทําอันนี้ตายคนตายจะให้รู้จักวิธีทําอันนี้ไม่ใช่ว่าตายจริงๆอันเรื่องกิเลสปัญหามันเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่พูดให้ฟัง โดยมากคนจะเข้าใจแบบตายจากกิเลสตายจากปัญหาอันนั้นเนอีกเรื่องหนึ่งนะคาว่าตายเดี๋ยวคนตายเนี่ยมันต้องรู้จักวิธีอันนี้จริงๆถ้าหากไม่รู้จักอันนี้เหมือนกับคนตกต้นไม้นี่แหละตกขอมอคออาหัวลงคอหักตายทันทีเลยอย่างนี้นักมวยเขาพวกเขาเก่ง น, นะเขาจะตกมาใจที่ไหนก็ตามพอดีตกปุ๊บเขาจะตีลังกาหรืออะไรเดี๋จะไม่รู้นะเขาจะเดินไปจะสบายไปอย่างนี้เื่องการปฏิบัติธรรมะนั้นจริงวะ สำคัให้พวกเราเข้า อ, อกเข้าใจที่พูดให้ฟังนี่ไม่ได้พูดเล่นนะเพราะเวลาเราจะมาพูดทําคันโดยไปน้อยครั้งเพราะว่าต่างคนต่างไปสร้างคนต่า ง, งนี้หวานนี่ก็ได้ยินว่าเนีเราให้ฟังมาจากลับบ้านแต่มราไม่รู้หรอกตะมาเตียงพูดให้ฟังตอนเช้าก็เลยพยายามจะพูดให้มันละเอียดเรื่องนี่แหละการปฏิบัติธรรมะไปทําคนเดียวถ้าหากไม่มีครูบาอาจารย์ดี ให้ระวังแก้ปัญหาตัวเองได้ถ้าหากไม่ระวังอะแก้ปัญหาตัวเองไม่ได้เมื่อแก้ไม่ได้เนื้อมันเป็นมาแล้วจีไปให้ใครแก้ให้เรามันก็นหนักที่เบิมวนหนักมาแล้วไปหาคนนั้นมาช่วยคนนี้มาช่วยมันลำคาผมเคยแก้ปัญหาคนที่เป็นหนักแน่นรู้อารมณ์เนี่ยรู้ลูกนามเป็นยิปชโนรู้พลัมัดเนี่ยเป็นจินตยานรู้ถึงขั้นอาการเกิดดับเดือ ถ้าไม่เข้าใจเราจกเป็นลิบลาศที่ตรงนั้นให้เราเข้าใจให้เราอยู่กับอารมณ์แนบแน่นอยู่กับคมรู้สึกตัวนี่ให้ได้ถ้ า, าไม่รู้สึกตัวไปลว่าเราเพิกไปความเพิกนะีผผ่เนอะความพลาดผิดความไม่รู้คือไม่รู้สึกตัวแลยเด็กมันเข้าไปอยู่ในควมคิดมันเข้าไปอยู่ในคมสุขคนละสุกไม่เอ า, เอาทุกไม่เอาดีไม่เอาทักขไม่เอาจิตไม่เอาเราต้องมาอยู่กับผมรู้สึกนี่ ถ้าเราหยุบพรมรู้สึกแล้วมันเกิดอะไรขึ้นมาเราเห็นเรารู้เราเข้าใจมันเป็นเองแต่ว่าพรมเป็นเองมันมีอยู่แล้วผมเคยพูดให้ฟังเมือนกับอยู่ในถ้าถ้าเราจุดไฟขึ้นแต่สว่างกว่าิ้งรู้กว่าจิ้งแต่มันยังอยู่ในถ้าออกไปมาข pues ้างหน้ามืดมาข้างหลังออกไปมาข้างหลังเมื่อไปข้างหน้าออกไปมาข้างซ้ายมืดมาข้างหัวออกไปมาข้างขวามืดมาข้างซ้ายเพราะเราอยู่ในความมืดท่านเอง ดับไปปุ๊บนที่แบเมื่อทันทีเรามีไฟมีเทียนไขดีๆแล้วจุดแล้วก็ออกจากหน้าถ้าให้มาอยู่ปากถ้าเดี๋ยมองเข้าไปเห็นสภาพในถ้าทุกอย่างเลยอันนี้ก็เหมือนกันเมื่อเรารู้ดีแล้วจะมองเห็นสภาพความผิดและความถูกต้องเที่ตัวเองทำมาเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นทุกคนต้องเป็นอย่างนั้นเพราะมันไม่รู้มันจึงทาถ้ามันรู้เลยมันไม่ทา การปฏิบัติธรรมวิธีที่ผมนํามาเล่าตู่ฟังนี้ผมก็พยายามพูดให้พวกเราเข้าใจฟังแล้วเข้าใจท้ายที่สุดนี่ผมไม่มีเรื่องอะไรเพราะทำวัดก่อทำตั้นอาตมาพร้อมด้วยพระสงฆ์และญาติโยมมานั่งฟังธรรมะการอบรวันนี้ก็เห็นว่าสมควรอย่างท้าที่สุดนี้อาตมาขออ้างอิงอมเด็จพระพุทธเจ้าและถ้าทำคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และคุณของพระานตาสาวกปัตมารสุภเจ้าหมอเตือนจิตสติใจของพวกเราให้พวกเราจงประพฤติปฏิบัติได้พบได้เห็นได้รู้ได้เข้าใจศาสซึ่งน